ขอความสุขความเจริญจุณีและท่านทุกฟังทั้งหลายรายการนี้เป็นรายการใหม่โดยการได้รับการติดต่อจากนายสถานีขอให้เข้ามาร่วมดาเนินกิจการเผยแผ่ธรรมะ ก, กันแม้ทางสถานีจะคิดราคาค่าทำรายการ แต่้ารางเทียบเคียงแล้วก็รู้สึกว่าราคาไม่แพงนักก็เป็นการช่วยเหลือคือกูลซึ่งกันและกันก็ทราบจากทางสถานีว่าจะเป็นรายการธรรมะที่ต่อเนื่องกันมาทางสถานีก็ไปติดต่อชวนชวนชันชกชวนรัตนานิบนญแก่ท่านที่ทำงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้ว มาร่วมกันบรรยายธรรมะโดยเสนอวิธีการไว้เป็นสามมิจฉีด้วยกันจืออาจจะมาบรรยายที่สถานีหรื อ, อาจจะพูดทางโทรศัพท์มาแล้วก็จะเสียงออกทางสถานีหรืออาจจะพูดเป็นเทปส่งมาให้ทางสถานีเปิด โดยเวลาที่ทางสถานีได้ให้ไว้นั้นเขาประมาณสามสิบนาทีแต่ผู้จริงคงตกประมาณยี่สิบห้านาทีเพราะว่าต้องมีรายการนำรายการปิดแต่ละตอนหัวข้อที่อาตมาตั้งใจจะนำเสนอแด่ท่านผู้ฟังนั้นก็ได้บอกทางสถานีเอาไว้ว่า ใต้ร่มพระโพธิญาณคือชชยคําว่าใต้ร่มพระโพธิญาณเป็นการนําเสนอธรรมะในรูปของตามรอยยุคนบาดของพระพุทธเจ้าจะเป็นการย้อนต้นไปไกลมากตัวเราทําในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อนําเสนอเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ก็จะมีการพูบระดับที่เราเรียกว่าทุเรนิธานคือเรื่องไกลลิบล้นพ้นประมาณก็อาจจะใช้คำว่าอาทิตย์ เ, เลเนดีตการนอนมาแล้วแตถามเวลาเท่าไหร่เนี่ยมันก็บอกไม่ได้เพราะท่านไม่ได้บอกตัวเลขเอาไว้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งเขาเรียกอวิทูเรนิธานคือเรื่องไม่ไกลเท่าไหร่ แล้วก็สันติเกณนิทานก็คือเรื่องสมัยที่เป็นเจ้าชาจิตตธะรเรื่องที่ปรากฏในปัจจุบันสมสมบัตสมัยนั้นถ้าหากว่าท่านฟังจะตั้งปัญหาถามว่าทำไมจึงใช้หัวข้อตรงนี้อาตมาเองนั้นทำงานเผยแผ่พระศาสนามาตั้งแต่ก็เรียกว่าบทใหม่ๆนะครับ บวชปันสาแรกประมาณสิบห้าวันก็ทางครูบาอาจารย์ท่านให้ไปอยู่ในวัดหนึ่งคือพอดีท่านเจ้าวาดที่วัดนั้นมรณภาพลงตัณฑอาจารย์ก็พาไปที่งานศพก็ได้คุยสนทนากับญาติโยมประกอบกับในสมัยเป็นเด็กอาตมาเคยบวชเป็นสามเณรมาก่อน แล้วก็ค่อนข้างมีความรู้ทงางศาสนาพอสมควรสำหรับเด็กบ้านนอกเวลาคุยกับญาติโยมก็เขากข้าจาจการญาติโยมก็เกิดพอใจก็ข อ, ขอตัวจากพระอาจารย์ว่าขอให้มาอยู่ที่วัดนี้ซึ่งเป็นวาเที่มาไม่รู้จักใครเลยแต่เมื่อสอบถามก็บอกว่าก็ดี จะถามมาทำไมจึงมองเห็นว่าเป็นความดีเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเราบวชแล้วอยู่กลายาพี่น้องในมลุ่มวุ่นวายได้กันแต่เดี๋ยวคนน้นมาชวนคุยไปเดี๋ยวคนนี้มาชวนคุยมีปัญหาอะไรก็นํามาบอกกล่าวกันเราเราก็ไม่ได้บวชผู้ไปรับรู้เรื่องดอกนั้นเราก็ตั้งใจจะศึกษาประพฤติปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของพระภิกษุโดยไม่ได้คิดไปเจองานใหญ่อะไร เราเป็นวัดบรร น, นอกแต่ว่าเมื่อเข้าไปอยู่ถึงวัดเนี่ยปรากฏว่าภายในวัดก็มีพระอื่นอยู่อีกเพียงสองสามรูปเท่านั้นเองแล้วก็เป็นพระบทใหม่กันทั้งนั้นตกลงเอาพวกเราในบทใหม่หมดท่านอาจารย์ก็ส่งพระพรรษาสามพรรษาให้ไปอยู่เป็นเพื่อนมันก็อีกแหละก็คือพระใหม่อีกเพียงแต่ว่าเก่าก็พวกเราเท่านั้นเอง คนที่อยู่เป็นหลักจริงๆก็คืออาตมาส่วนพระที่พรรษาสามหรือห้าตรงนี้นะไม่ค่อยแน่ใจอะไรท่านก็ไปไ ป, ไปมามาในวัดัมนมีกิจกรรมอย่างหนึ่งก็คือเทศทุกขืขดตลอดใจมากคือตลอดพรรษาอย่าโดยมจะมาฟังเทศกันมากบ้างน้อยบ้าง ก็ประมาณสักสี่ห้าสิบถึงหกจ็ดสิบแถวนั้นอย่างมากแล้วฟังทุกคืนเมื่อกลายเป็นปัญหาว่าพระนวกระที่อยู่ด้วยกันนั้นไม่มีใครเทศได้แล้วามาเองก็เทศไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนอ่านหนังสือค่อนข้างคล่องก็ขออ่านคำพีเทศเนี่ยให้ญาติโยมฟังทุกคืนพอมาถึงวันพระก็มีภาคเช้าแลา้วก็ภาคกลางคืน เราก็เอาคัมภีรงพิมพ์มังกรเนี่ยเป็นคัมภี์คัมพีเทศซึ่งบ้า ก, กันตามความเปจริงแล้วมันค่อนข้างยากสําหรับต้องจินจนบทพระท่านที่เรียบเรียงคมพีเทศนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากแล้วก็ท่านพูดกับคนที่มีการศึกษาระดับหนึ่งเราบบหมายด้วยเราไปอ่านด้วยเนี่ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหมายความมายังไง แต่ก็อ่านไปตามตัวอักษรที่ท่านได้เรียบเรียงไว้พอแท้เสร็จก็จะมีากามจิจกรรมอย่างหนึ่งคือนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานก็ใช้กรรมฐานอนาปานสติแต่ว่ามีใครสอนแล้วก็ไม่มีใครสอนก็คืออ่านหนังสือกันให้ฟังก็ทํากันตลอดพรรษาซึ่งจะเห็นได้ว่าก็ผ่านคำพีเทศมาเนี่ยประมาณร้อยกัน ก็เป็นวัดบ้านนอกที่ยากจนมากมแม้แต่ค่าน้ำมันใสตะเกียงก็ยังไม่ค่อยมีแล้วก็สายกันเทศเนี่นะก็ช่วยเหลือในกิจกรรมของวัดก็ทำงานผ่านมาได้ตลอดปีก็เดินเรื่องมาจนถึงยุคที่เรียกว่าวันสงรานเนี่ยนะครับมันไม่มีกันเทศที่เกี่ยวกวับวันสงราน เราเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ในที่สุดก็ตัดสินใจอาศัยคติแบบทางภาคได้คือเขาเรียกวันสิบสามค่าวันทรงเจ้าเมืองเก่าวันสิบสี่ค่ำนั้นเป็นวันเนาหรือวันว่างไม่ไม่ใช่วัน1ิบสามค่ำคือวันที่สิบสามนะเป็นวันทรงเจ้าเมืองเก่า วันที่ 14, สิบสี่เมษาก็เป็นวันว่างหรือวันเนาที่ภาษาราชการเรียกว่าวันเนาวัวนพักแล้วก็วันที่ 15, สิบห้าเมษายนนนัน้เป็นวันถลิงศพเรียกภาษาชาวบ้านวันรับเมืองใหม่เราก็คิดธรรมะจากที่ได้เรียดมาเนี่ยว่าไอ้เมืองเก่าก็คือความไม่ดีทั้งหลายจเมืองใหม่ก็คือความดีทั้งหลาย มันก็เริ่มเทศเป็นการเทศกทุศลกรรบดกับกุศลกรรบดกุศลกรรมบดสิบเป็นเจ้าเมืองเก่าอกุศลกรรบดสิบนะเป็นเจ้าเมืองเก่าคือบรรดาพฤติกรรมเลวรายทั้งหลายทั้งที่เป็นการกระทําการพูดแล้วก็ความคิดที่ไม่ดีไม่ดีนะฮะอกุศลก็คือโง่คือไม่ฉลาดทําลงไปก็โง่ พูดออกไปก็โง่คิดไปก็โง่ตอ น, นจำเริ่มเก่าตัวใหญ่จริงๆคือความโง่คือความไม่รู้แล้วก็แสดงไปแล้วก็เสร็จแล้วก็พูดถึงรับจำเมืองใหม่เพราะว่ารับจำเริ่มใหม่ต้องเทศอีกนะมันก็เลยเทศสองกันเป็นการเทศรับจะเริ่ใหม่ก็เรื่องกุศลกับบทสิบ ป, ประการกุศลก็คือฉลาด หาความมาใครทําอย่างนั้นก็ฉลาดใครพูดอย่างนั้นก็ฉลาดใครคิดอย่างนั้นก็ฉลาดก็เป็นหลักการสําคัญในโลกโดยพื้นฐานธรรมะกลุ่มนี้พระตถาคกอาจารย์ท่านเรียกว่ามนุสสิทธธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์เรามองเห็นว่ามีทั้งสีข้อก็ค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าจริงๆโดยพื้นฐานทางความคิดเนี่ยความเห็นเนี่ยเราก็เห็นชอบอย่างเดียว หมายความว่าถ้าเรามีความเห็นเป็นสมาธิทิฏฐิแล้วอย่างอื่นมันก็ไปเองโดยอันตรนมันนั่นก็คือการมดเว้นจากการค่าสัตว์มดเว้นจากการเป็นสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้มดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณีในข้อนี้บางครั้งเนี่ยจะแสดงในรูปของการมดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับเวลานั้นทรงแสดงแก่ใคร ถ้าแสดงแก่นักบวชก็ทรงเปลี่ยนในข้อที่สามเป็นอภรรยแต่ถ้าแสดงแก่ชาวบ้านก็ทรงใช้ข้อที่สเป็นกามเมต่อไปก็เป็นเรื่องวจีสุจริตเป็นการพูดระดับมดเว้นรเราเห็นว่าเป็นการพูดระดับศีลถึงมดเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสีย ด, ดเว้นจากการพูดคําหยาบเว้นใน ก, การพูดเพเ้อเจ้อเหลวไแต่ถามว่าทำไมคนจึงพูด ต้องงดเว้นได้ล่ะเพราะว่าใจเขาต้องไม่โลภอยากได้ของของคนอื่นแต่เขาจะต้องไม่อาฆาตพยาบาทมุ่งปองร้ายบุคคลอื่นและตัวการหลักจริงๆนะฮะคือมีความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมเพราะาคนเราเมื่อจับตัวธรรนองครองธรรมได้อย่างอื่นมันก็เดินไปบนกระแสของกุศลธรรมได้ เม ก, ก่อนก็ไม่นึกว่าจะเทศได้นะฮะแตอนนั้นก็นับปวบวมาเท่าไหร่ก็ประมาณสักหกเจ็ดเดือนนะก็นึกว่าคงจะแย่เหมือนกันนะแต่ว่าเห็นว่าธรรมะเขามีทั้งสิบข้อถ้าเราพูดได้ได้ข้อละสองนาทีก็หมายความยี่สิบนาทีแต่เราพูดได้ข้อละสามนาทีก็เฉลี่ยแล้วก็สามสิบนาทีก็ไหวอ่นะฮะแตปรากฏว่ า, าพูดได้ ได้ไปคนข้างนานด้วยมันก็ก่อให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาและจากบัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ก็ทำงานเผยแผ่มาโดยลำดับและตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่จริงก็เคยทดลองทำงานหลายๆแนวทางโครงสร้างของการบริหารศาร ส, สนาตามราชบัญญัติคณะสงฆ์ปศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่เนี่ย ท่นแบ่งงานคณะสงฆ์ออกเป็น4งานหลัก ง, งานปกครองงานศึกษางานเาผยแพ่งานสาธารณบรรุประการเกี่ยวกับการก่อสร้ า, รรารงตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างจังหวัดก็ประมาณ6ปันษาเราก็ตดลองทำทุกงานการสอนหนังสือก็ทำหน้าที่สอนทั้งนธรรมและบาลี ทั้งทำศึกษาด้วยบานที่สอนหนักวันถึงเจ็ดชั้นเลยราะการสอนก็ทําให้เราคิดเราศึกษาเราค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมมากยิ่นขึ้นการเทศเทศเดี่ยวเทศคู่เทศหลายหลายธรรมะจนถึงเจ็ดธรรมะก็เคยเทศเป็นยุคสมัยก่อนยี่สิบห้าศตวรรษเราเห็นว่าสังคมยุคนั้นจะสนใจเรื่องธรรมะกันมา ทำให้อาตมาซึ่งบวชเป็นพระนุ่มๆพรรษาสองพษาหนึ่นนน 2, น 1, นงพรรษาสองแต่เด่นเด่นล้วก็ต้องเทศเดินโรงไปในพื้ทั้งจังหวัดไม่ถึงกะทุกอำเภอและฮะแต่ว่าก็ไปเสียหลายอำเภอแล้วก็ก้าวหน้าไปจนถึงรัชการเจ้าวาดรัชการเจ้าพระนำเภอแล้วก็ทดลองทำงานก่อสร้างดู ก็มองเห็นว่าการบริหารบุคคลคือเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะต่างๆเนี่ยกรอบงานมันแคบแล้วก็เป็นภาระที่ค่อนข้างหนักบุ่นวายจิตใจเราไม่ค่อยสงบเราก็สูญเสียเวลาในการศึกษาคนา้นคว้าธรรมะในทางศาสนางานก่อสร้างเราเห็นว่ารกกุนชาวบ้านจังมันรู้สึกค่อนข้างรำคาญในงานเราเนี่ยนะแม้แต่ว่ารสเทศบางทีเนี่ย คือเนื่องจากวัดที่จะมาอยู่วัดแรกนะฮะมันอยู่ริมถนนมันมีดีกาเข้ามาเรื่อยๆทุกวันแล้วก็ได้ยินเสียงเรื่อยๆก้องแกงก้องแกง่งก้องแกง่งตลอดแล้วก็อึดอัดว่าทําไมจะต้องเรื่อยๆกันมากมายอย่างนั้นไม่ถูกท่านยังไงให้เราทํางานรู้สึกภูมิใจว่าเราได้ให้แทนที่เราจะได้รับเลยก็มามุ่งเน้นทางการศึกษา กับการเผยแผ่แต่ตอนอยู่ต่างจังหวัดมันก็เป็นแค่นักธรรมชั้นเอกกับปรรียนสามประโยคคือเทศไปเทศมาเทศมากไปหน่อยมีแต่คนชมยกยอ่องเราก็สยองเหมือนกันเพรเอ๊ที่เราเทศถูกหรือเปล่าคือธรรมาบางข้อเราก็บางข้อเราเกิดไม่แน่ใจ น, นะตอที่เราพูดไปมันถูกหรือเปล่า เอกาสารตำรับตมาในการสอบทานคิดบเียนหรือหลักผู้ใหญ่ที่เราจะสอบทานได้เนี่ยมันหายากมากบุรุษมันขาดแคลนไปหมดเพราะเมื่อต้องการทำเนี่ยเราต้องทำให้ถูกต้องประการสื่อสารอายุประสาสนานั้นถ้าหากว่าเราสอนพลาดเราคิดพลาดอย่างเดียวเนี่ยมันพลาดไปหมดเลยแล้เราเองก็เป็นบาปเลย วการบวชเป็นพระตัวการสำคัญเนี่ยคือต้องพักดีต้องซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรนัยแต่ว่าการที่จะเกิดความถูกต้องนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องทุ่มเทชีวิตตรงใบเพื่อศึกษาคนขว้าเลยก็ในที่สุดก็เข้าศึกษาเข้ามาอยู่วัดประวัลเพื่อศึกษาโดยเฉพาะแล้วก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็จะออกไปทำงานในการสอนกับการเผยแผ่ที่ต่างจังหวัดแต่ถึงจุดหนึ่งก็ไปจบทางด้านปริญาโทรมาจากต่างประเทศในด้านพระพุทธศาสนานี่แหละก็ลงปู่คนที่รูปที่มอบเอามาฝากไว้ในวัดปรวรท่านตามมาบอกถึงที่วัด โบคุณไม่ต้องกลับเมืงองนครแล้วให้อยู่กรุงเทพนี่แหละขันในกรุงเทพได้แล้วท่าพูดสนทน์สนทน์กายชนหน่อยพูดมาขันได้แล้วจะอยู่กรุงเทพนี่แหละเพิ่มก็เลยดําเนินงานในด้านนี้มาโดยลําดับแล้วก็เริ่มฝึกออกวิทยุอะไรแต่ไรกันมาเรืเร่อยๆ ก, ก็เรียกว่าเริ่มที่ ทำงานลุยมาเนี่ยจริงจริงก็ตั้งแต่ศูนย์สี่คือเข้ามาอยู่ศูนย์สี่มันก็ไปศึกษาพฝึก ภ, ภาคสนามอบรมนักโทษที่ลาดยาวที่บางขวางที่เมืองนนแถวอย่างไปไกลก็แถวธัญ บ, บุรีเราก็อยู่กับนักโทษมาหลายปีมันทำให้รักงานตรงนี้รอเมื่อทางสถานีติดต่อไปเนี่ยเดินทียธรมาก็มีความคิดนะฮะว่า เราจะออกอากาศแล้วเราก็ต้องเช่าสถานีด้วยเนี่ยเราคงทําไม่ได้เพราะเราหาสตางค์ไม่เป็นนะแต่ในที่สุดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีความจําเป็นเพราะว่าสถานีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกเลยเวลานี้ก็มีรายการออกวิยุออกโทรทัศน์โทรทัศน์นั้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ทางสถานีตรทัทั์ช่องก้าอสอมทเขา้าถวายให้แก่พระพุทธศาสนาพระธรมาก็รับมาดำเนินการห้าวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันเสาร์เวลาค่อนข้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือที่ห้าครึ่งแต่ก็มองเห็นว่าเป็นรายการที่เราสามารถดำเนินงานได้ แล้วถ้าไปต่างจังหวัดนี่เจอคนรู้จักเยอะก็ก็มาบอกว่าฟังท่านเจ้าคุณทุกเช้าอันนี้ก็ทำมาห้าหกปีรู้สึกจะปีที่หกและมันเกิดมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็บอกกล่าวยาบโจมให้ทราบว่าใครจะช่วยบ้างเพราะถ้าหากว่าไม่มีคนช่วยเราก็ขาดใจแล้วมันไม่มีทางไป ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าญาติโยมส่งเงินมาให้ตอนนี้บอกให้หยุดก่อนเนี่ยไม่ยอมหยุดเลยบอกให้หยุดตั้งหลายเดือนแลนะ้วนะฮะพอเราได้เงินก็ประมาณล้านกว่าบาทเราคิดว่าหนึ่งปีเราทำได้แล้วแต่เกิดมีปัญหาต่อไปค่อยบอกกันใหม่แต่ญาติดิมยังถอยส่งกันมาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าชาวพุทธเราที่เป็นพลังเงียบ เราก็พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนคืออาตมาไม่ได้พูดเองนะให้พิธีกรเขาพูดคือเราก็ไม่อยากจะพูดเองอะไรสุดยงวัทยอยส่งกันมาก็แล้วแต่สิบบาทที่สิบาทบางคนให้มาเป็นหมื่นๆ น, นะฮะบางคนก็ปรนน่าไปจําก็ทําให้หวังว่ารายการโทรทัศน์เนี่ยถ้าหากว่าทําสถานีก็ไม่เรียกเวลาคืนเนี่ยเราคงทําได้ต่อเนื่อง รายการทางสถานีวิทยุเวลาเนียตมา ก, ก็ทําอยู่สามสี่สถานีสถานีวิทยุอดสอเป็นการสนองงานสุดเด็ดยากิธรรมนานมากกว่าเพิ่นแล้วก็ทําต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีรายการตรอบปัญหาแล้วก็บรรยายธรรมะจะเรียกว่าหัวข้อรายการศาสนากับตอบปัญหาธรรมะแล้วก็เราปกกลาง ก็ให้เวลาวันจันทร์อังคารไม่ใช่วันอาทิตย์วันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์สัปดาห์ละสี่วันแล้วก็ต่อมาก็สารีวิทยุรอดอก็ให้วันจันทร์อังคารพุทธก็เป็นรายการตรอกนกลางคืนแล้วต่อมาก็คนสอง อพลสองก็ไปติดต่อไปก็ก็ให้เช่าเวลานั่นแหละจะเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันน่อทางสถานีวิทยุพลหนึ่งติดต่อไประบอกจะให้ <c oughs> เวลาช่วงทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มเราเลยก็ต่อกัรพอดีก็หมายความว่าตอนทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยในวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็พูดทิม มอพนสองแล้วก็สองทุ่ครึ่งก็มาพูดสถานีแห่งนี้แต่ว่าสามทุ่งก็ไปออกที่รอดอแล้วก็ต่อกันไปดีก็โดยไม่ได้คาดหวังอะไรทลายหรอกเพราะว่าปฏิกิริยาที่สะท้อนกลับทางวิทยุเนี่ยมีน้อย คือจา ก, การสังเกตอันตรมาออกสถ า, านีแม้แต่โทรทัศน์เองก็เถอะคือโทรทัศน์ถ้าเราออกในเวลาที่มันเหมาะสมคือหมายความวม่าคนตื่นกันแล้วเนี่ยปฏิกิริยาสะท้อนกลับจะมาเร็วบวกลบก็แล้วแต่ใครจะคิดนะแต่ว่ามันมีความตั้งใจอย่างหนึ่งคือจากการมองเห็นสภาพความรู้สึก ของพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยที่เราก็มาประรบกันเวลานานนะว่ามันเกิดวิกฤตศรัทธากวิกฤตทางปัญญาแล้วก็มีเหตุการณ์ในลักษณะปีซ้ำดัพรอยว่าเพิ่มเติมให้แก่พระศาสนาอยู่บ่อยๆก็ทำให้คิดว่าถ้าเราจะมานับหนึ่งกันที่ใต้ร่มประโพธยญาณ คือมาทําความรู้จักกับพระพุทธเจ้าของเราซึ่งมันแตกต่างกับศาสนาอืน่นแล้วก็มีความต่อเนื่องคือเรเรียนธรรมะจากปุกกลิกภาพของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็นําความไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แวะเข้าไปสู่ธรรมะด้านนั้นด้านนี้ได้ตลอดระยะเวลาแต่หมความเอาพุทธประวัติที่เป็นเมน แต่ไม่ได้เรียนเฉพาะทวงตนๆนะฮะคือจะย้อนไปสู่อดีตอันที่กล่าวแล้ววันจึงนำเสนอในหัวข้อว่าใต้ร่มพระโพธิญาณตามปกติก็คงจะต้องใช้รายการอัดเทศมาเป็นประการสำคัญและบางโอกาสถ้าหากความมีเรื่องพิเศษพิเศษเกิดขึ้นปรากฏเป็นข่าวเป็นข่าวก็จะประสรัดประสานงานกระทางสถานีก็ออกสด กาเอสสดก็หมายความว่าจะเป็นเรื่องอื่นนอกจากเรื่องไตร่มพระโพธิญาณแต่ก็คงอยู่ในกรอบของไตร่มประโพธิญาณ น, นั่นเองต้องฟังทั้งหลายและการใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้เป็นการแนะนำตัวเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก็ได้รู้จักกัไวเราจะมาประเทศดิโลก วงเล็บ ก, ก็ระแบบทิตะยานโนสนากวัตภรรวนในเวทวิหารเป็นการทำงานในานามของกองทุนในรัตนาลภาพเพื่อการศึกษาการเผยแพร่และการพิทักษ์ความมั่นคงของพระุทธศาสนาสมหรับวันนี้ก็ขอยยุิไว้ด้วยเวลาเป็นเทาน่านี้พิสุทธินี้ขอความเจริญงอ ง, งามไพบุ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี